ท่าฟังที่ครบคะท่านกลุลาในช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนานะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่ครึ่งชั่วโมงของเราเต็มที่เกือบทั้งรายการนะคะก็จะถวายเป็นพุทธบูชาให้กับพระาศาสดาของเราคือการทําให้มนุษย์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะชาวพุทธที่ฟังรายการวิทยุนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้เข้าถึงสิ่งที่พระาศาสดาสอน ผ่านทางพระภิกษุสองรูปด้วยกันรูปแรกผ่านไปแล้วนะคะก็คือธรรมารชาคขาวโรเรากําลังจะมาพบกับพระภิกษุรูปที่สองก็คือพระพิบูลอภิปุโนไปกราบนมัสการท่านกันเลยนะคะกราบนมัสการกันท่านคะเย็นพรค่ะก็เป็นเป็นหน้าที่เหมคะเนี่ยของชาวพุทธที่จะต้องเผยแผ่ธรรมะคท่านคะเป็นหน้าที่ของสมณนะที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง แล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งเป็นหน้าที่ทของอุบาสก อ, อุบาสิกาที่จะต้องรักษาศี่ห้ า, านับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหน้าที่เลยเหรคะอ๋ อ, อใช่เพราะว่าคุณทําอะไรที่ทําให้คุณเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่ถ้าคุณถามว่าไอ้คุณเป็นอะไรโอ้ฉันเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าคุณปฏิญญาตัวเองนะว่าฉันเป็นอุบาสกอุบาสิกาคุณเอาอะไรมามายืนยันความเป็นอุบาสกอุบาสิกาของคุณก็ต้องมีคุณสมบัติ ไหนพระเจ้าพูดถคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกบาสิกานั่นก็คือรักษาศีลห้าแล้วก็อะไรหนละมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาารณะว่างกันเถอ<ค>ะมีสี่อย่างนี้นะคุณก็จะเป็นอุบาสกบาศิกาได้อค่ะก็เป็นหน้าที่นะว่าองั้นก็ได้เป็นคุณสมบัติดีกว่าเอาแต่ถ้าพูดเป็นหน้าที่ก็ดีเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วถ้าเกิด ประกาศตนอันนี้พูดถึงอุบาสกอุบาสิกาก่อนนะคะอยงฟานว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยคะ่ะจะมีหน้าที่ต้องปกป้องคําสอนของภาษาสดาวไหมค ะ, ะการที่เรารักษาศีลห้าการที่เราระลึกถึงรพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะอันนี้เป็นการปกป้องคําสอนพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่าอะไรคุณโยมติ ว, สมม ต, วสมมติว่ามีคนมาด่าเราจะมีคนมาย่ำยีเอางนี้มีคนมาดา่าพระพุทธเจ้า นะีมีคนมาดา่าผู้เจ้าเสียให้หายแต่ที่ผู้เจ้าบอกให้ทำยังไงถ้าเกิดถ้ามีใครมาดาม่าใช่ไหมให้อดทนไว้แตนะ่ถ้าเรารักษาศีลห้าแล้วเราก็นับถือคอานะําสัอนผู้เจ้าธรรมะบอกให้ปฏิบัติยังไงธรรมะบอกให้อดทนนะการที่เราอดทนนี่แหละชื่อว่าเป็นการกีดกันคนผ่านนั่นแหละอืมค่ะทำไมเราจะต้องอดทนละ่ะคคนอื่นทำไมไม่ยอมลดละความพานบ้างกันคะเพราะว่าทําไมเราจะต้องเป็นคนที่ <น>ลงมือทำเนี่ยคือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ของธรรมะไว้ไหนนี้สมมุติว่าคนอื่นที่มาด่าเราเราบอกว่าังั้นฉันฆ่าเธอได้ฉันฆ่าคนที่ด่าเราได้เอากาันแต่ว่าแต่ว่าคุณคุณบอกนะว่าการฆ่าไม่ดีใช่ไหมตัวเองเป็นคนปฏิญญาอย่างดูเองว่าตัวเองการฆ่าไม่ดีเแล้วถ้าเราจะต้องไปฆ่าผิดศีลก็เพื่อที่จะให้อคนนั้นเนี่ยมันมันชิบหายไปและการกระทําของเราตรงนนเนี้ชื่อว่าการปฏิบัติของเราในเรื่องศีลเนี่ยไม่ บริบูรณ์เพราะปรารบเหตุคนอื่นที่ด่าเรานะต่อให้คนอื่นด่าเราเราก็ไม่ผิดเรื่องการฆ่าโอ้โหนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริง อ, อ, อย่างสมมติพระพุทธเจ้าของเราถ้าบอกว่าสอนให้ทุกคนปล่อยละปล่อยวางละวางอย่าไปยึดถือนะแล้วถ้ายังบอกว่านั้นเธอต้องยึดถือฉันนะต้องยึดถือฉันเป็นาศาสดาต้องยึดถือฉันโดยความเป็นตัวตนอ้าวแสดงว่าคําสอนไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วนะแต่คําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย ปล่อยให้ละวางแม้ธรรมะก็ไม่ควรยึดถืออาไว้จะไปกุดป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมอย่างเงี้ยโอ้โหนี่บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆนะเข้าใจมค่ะตัวตัวพระองค์เองนะก็บอกอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรสอนอย่างนั้นอย่างเงี้ยก็โอ้โหบริสุทธิ์บริรบรูรณ์สิ้นเชิงจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบถึงในคําสอนของใครก็ตาม นะตัวบุคคลต่อตัวบุคคลสาวกต่อสาวกคําสอนต่อคําสอนเอาที่ลงกันไม่ได้ยกไว้ก่อนเอาเฉพาะส่วนที่ลงกันได้นะํามาเปรียบเทียบกันพระพุทธเจ้าบอกว่าคําสอนของสมณโคดมเนี่ก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในทุกประเด็นเอาอย่างเช่นว่าศาสนาอื่นเอาเอาเฉพาะเรื่องที่เข้าลงกันได้กันเอามาวัดกันอันไหนบริบูรณ์กว่ากันโอ้โหเราสังเกว่าศีลเป็นอย่างนี้สมาธิเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้ โอ้จะมีความชัดเจนในเรื่องของความเป็นคนดีมากเลยอย่างเงี้มันก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์กว่านะหรือว่าในเรื่องคําสอนของไม่ว่าจะเป็นรัที่ไหนก็ตามใช่ไหมเราเอาเรื่องที่เข้ากันไม่ได้เนี่ยเอายกไปก่อนเลยนะสมมติบางคนบอกว่าฆ่าสัตว์ดีอีกคนนึงบอกฆ่าสัตว์ไม่ดีเอางั้นฆ่าสัตว์ยกไปก่อนยกไปก่อนไม่ต้องพูดเรื่องการฆ่าสัตว์แต่ท้าคุณบอกว่าเรื่องาการกตันยูดีอ่างั้นสมณะโคดมก็บอกว่าเรื่องการกตันยูดีเอาเรื่องความกตันยูมาเปรียบเทียบกันก็ได้ นะวัดกันเาการปฏิบัติุึ้นเป็นยังไงมีอะไรเป็นผลเกิดจากอะไรนะแล้วก็มีอะไรเป็นอ น, นิสงส์ข้อเสียคืออะไรข้อดีคืออะไรโหพระพุทธบัญญัติว้หมดบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆอืมค่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ถ้าเราศึกษาพระพุทธองค์เราจะได้พบวิธีที่จะมีชีวิตที่ ดีจากคําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงใช่ยังแล้วเราก็มีหลายๆายคนเลยทีเดียวที่พอมาศึกษาคําสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยรู้สึกพอพอในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าแม่พอใจคือคือคุณไปหาคือไม่คุณไม่ต้องไปหาที่ไหนอื่นแล้วมันมันสมบูรณ์จริงล่ะทำให้บางคนไปเข้าใจว่าโอ้ทาไมคุณไม่ต้องไปหาเรียนสรนะนู้นหาเรียนสระ น, นี้จากประเทศนู้นประเทศนี้อพออย่างนี้มันมันไม่ถูกมั้ง แต่จริงๆุณหารู้ไหมว่าไอ้ที่ว่าพอเนี่ยมันมันลึกซึ้งละเอียดขนาดไหนมันถึงว่าพอ no? ะอันนี้พูดถึงอาจจะเป็นภาคเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสังคมโลกในทุกๆวันที่สามารถจะใช้ความรู้จากพระพุทธองค์เอามาได้เลยแล้วก็เป็นความรู้ที่ใช้ได้ในทุกๆศาสตร์อ่นี้ไหมคะใช่ใช่นะคะทีนี้ท่านอาจารย์คะ ดังนั้นเองเนียอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติอืมได้ได้ไดเพราะว่าเมื่อเอินก่อนหน้าที่จะมาดำเนินรายการวันนี้นะคะได้ฟังสุภาพบุรุษ ท, ท่านหนึ่งเขาก็ไปปล่ำละลักออกมาว่าปฏิบัติมาเจ็ดแปดปีละแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ไม่สามารถจะไปต่อไปจากเดิมได้แล้วจนวันหนึ่งก็อธิษฐานจิต มอว่าขอให้ได้พบกับครูบาอาจารย์ดีๆแล้วก็บอกเปิดโทรทัศน์ไปโดยบังเอิญเลยได้พบครูบาอาจารย์กําลังสอนผูท้วจนะอืมก็ด้านด้นจนกระทั่งตนเองก็มีโอกาสศึกษาแล้วก็พูดคล้ายๆที่ท่านอาจารย์พูดนะคะว่าเป็นสุดยอดแห่งคําสอนทั้งปวงแล้วอะคะ่ะอืนี่ในส่วนของการป ฏ, ฏิบัตินะคะท่านค ะ, ะทําไมสุภาพบุรุษท่านนี้จึงสรุปอย่างนี้เพราะว่าก็ดูเหมือนว่า าการปฏิบัตินี่ก็มีหลากหลายแนวทางได้ไม่ใช่หรอคะการปฏิบัติตามคําสอนพระาศาสดาเนี่คะ่ะเออคือหมายความว่าในในเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือถ้าเราศึกษาอย่างครบถ้วนกระบวนความแล้วเนี่ยนะเออมันมันครบถ้วนจริงจริงที่ว่าคุณยมติบ ว, ว่าหลากหลายแนวทางนี่ก็จะมามารวมลงอยู่ในแค่แค่ตรงที่พระพเจ้าสอนเราก็จะต้องไม่หนีไปจากที่นี่แหละทีนี้อาจะยังไม่กระจ่างชัดสําหรับ บางท่านที่มีคําถามคล้ายๆกับคุณผู้ชายคนนี้ก่อนที่จะมาพบพุ้ทวจนะนะครับว่าแล้วผู้ทวจนะเป็นอย่างไรหรือทําไมพอมาได้พบแล้วถึงได้พบทางสว่างและบอกว่าจิตไว้ตลอดไปนะคะอ๋อเพราะว่าบทพยัญชนะและอัฏฐาที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยมันมันมีทั้งสองส่วนทั้งบทพยัญชนะและอัฏฐานะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นเชิงนะมีความงดงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด นะถามว่าแล้วคนอื่นที่แม้ในคําสอนของคนอื่นอื่นที่อยู่ในธรรมะวันนี้เองเช่นสาวกอื่นอาจจะพูดบ้างสอนบ้างเนี่ยบทเพียรชนะของเขาเหล่านั้นที่เป็นสาวกเนี่ยนะก็จะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เท่ากับของพระพุทธเจ้านะจะไม่ครบถ้วนกระบวนความจะมีขาดตรงไี้ขาดตรงนี้บ้างอาจจะมีอยู่นะ จ, จะกำหนดบทเพียรชนะได้ไม่ตรงต้องถูกต้องเป๊นะก็มีบ้างทีนี้พอเราถอยเข้าไปถึงต้นฉบับจริงๆรนะิคือคําสอนพระชาผู้ที่ คุบอกคุณนับถึงศาสนาพุทธศสาสนาพุทธเนี่ยนะก็ต้องเรียนจากคนที่เป็นพุทธใช่ไหมพอเราก็ไปถึงพุทธจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหคําพูดของพุทธเนี่ยมันเนียมจริงนะทำให้เราแบบมีความมั่นใจตรงนี้ขึ้นมาเอ่อยก ต, ตัวอย่างในหลายๆเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยเช่นเรื่องอุปมาอุปไมยท่านเจ้ายกตัวอย่างเนี่ยมันมันชัดเจนหลายๆเรื่องเลยเนอ ย, อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติก็การที่ผูกสัตว์หกชนิดเอาไว้ นะถ้าเราเอาจับสัตว์หกชนิดเนี่ยมาผูกเอาไว้แล้วก็ผูกกันไว้รวมไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยไปตัวไหนมีกําลังมากกว่าก็ต้องถูกชุดลากไปแน่นอนนะแต่ถ้าเราเอาสาัตว์หกชนิดนั้นมาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักนะสักอันหนึ่งนะที่ฝังลงไปในดิน8ศอกโผล่ขึ้นพ้นดิน8ดศอกฝังไว้อย่างดี เ, เป็นเสาหินทั้งแท่งเนี่ยผูกไว้ยังไงเนี่ยมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็ต้องมาอยู่แถวๆเสาเนี่แน่นอนนะตัวอย่างนี้ทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมาออ จิตของเรานี่มันถูกดึงด้วยตาขูจมูกลิ้นกายใจจริงๆทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องควบคุมอะไรตรงไหนกันแน่เนี้ยค่ะก็เท่ากับว่ามีมีทฤษฎีที่อ้างอิงที่เป็นทฤษฎีที่ปฏิบัติแล้วเห็นผลได้อย่างแน่นอนอืมใช่ผลไม่มีการผิดเพี้ยน ทีนี้เรื่องของบทเพนชนะเนี่ยอาจจะทําให้บางคนเข้าใจยากนิดนึงนะเราก็ต้องตรงไหนที่เรายังเข้าใจยากอยู่เราก็โยกไปก่อนก็นได้เราก็ดูมาเฉพาะตรงที่เราเข้าใจได้อย่างตั ว, ต, วตัวอาตมาเองนะคุณชมติ๋วเมื่อหลายปีก่อนที่เราเริ่มมาอ่านคําสอนพระเช้าที่เป็นพุทธวัจนะจริงๆเนี่ยนะ เ, เราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมาอ่านคือหมายความว่ามาศึกษาอีกเพราะว่ามันมันเยอะเหลือเกินมันหลายเล่มเหลือเกินแล้วมันตัวก็เล่มก็หนาเหลือเกินเนี่ย อแต่พออ้าวศึกษาก็ศึกษาเรียน ก, ก็เรียนอ่านก็อ่า น, าอานพออ่านไปได้สามสิบกว่าหน้าตอนในหนันเงเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆทําสิบกว่าหน้น้ำปูเราไม่เคยอ่านเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยทําไมมันมีอยู่เนาะเราเราทําไมมันไปนอยู่ขุมไหนอยู่เขาไหนมาด่าตัวเองอย่างนี้ <c oughs> นืองด้วยความที่โอ้เป็นคําสอนที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนจริงๆไม่ค่อย <c oughs> มีใครเอามาพูดอ่ะอุปมาอุปไมย <c oughs> บ้างนะเรื่องราวต่างๆที่ยกมาเปรียบเทียบบ้าง เรื่องในอดีตที่ยกมาคุยบ้างเนี่ยมันมันลึกซึ้งมันมันมันเห็นภาพให้ชัดเจนอืมค่ะบางคนก็อาจจะเกี่ยงอยู่ที่ว่าโหอย่าว่าแต่อ่านพู้ทว่าชนะเลยทุกวันเนี้ยเอาแค่หนังสือพิมพ์พื้นๆเนี่ยยังไม่มีเวลาจะอ่านเลยอนะคะอ่านง่ายกว่าตั้งเยอะตั้งแยะอืมท่านอยากจะบอกอะไรไหมคะอก็แบบนี้ก็ไม่อ่านก็ฟังเอาก็ได้นะฟังรายการเนี่ยสันซนิสัต น, นาช่วงนี้ก็ได้ก็ฟังได้เหมือนกันนะ ผู้เรียนชอบพูดถึงโสดประสาทนะในการที่จะบรรลุทำได้เนี่ยต้องมีโสดประสาทที่เปิดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องหูนี่สําคัญกว่านะอย่างไรก็ตามถ้าเราจะอ่านมันก็ทําให้มันก็เป็ น, นเสมือนเสียงกล้องประดิจิตของเราก็กทําได้เหมือนกันค่ะคือด<ม>ิฉันเข้าใจว่าอถ้ า, ถ, าถ้าจะถามคําถามนึงคำถามนึง ค, คือว่าการจะอ่านพุ้โทษจนะได้เข้าใจที่ท่านบอกว่าอ่า น, า น, านไปจะรู้เรื่องเนี่ยมันคุก็งาย จ, จะบอกว่าจําได้ท่านเป็นวิศวกรนี่ท่านเรียนมาสูงอาจจะอ่านภาษายากเข้าใจง่ายนะคะ และท่านยังบวช ด, ด้วยปฏิบัติด้วยอาจจะเข้าใจมากกว่าคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยคะ่ะอ่านหนังสือออกแตกช้านเป็นอย่างดีนะคะสามารถอ่านเข้าใจาง่ายท่านว่าโอ้แน่นอนเลยไม่ไม่ต้องเอาเอาคนธรรมดาก็ได้เอาเชาวนาแต่ว่าบ้านวัดบ้านดอนไหนโศกค่ะมันมานั่งสมาธิไม่ได้อ่านด้วยซ้ําฟังฟั ง, ฟ, งฟังธรรมะอย่างเดียวตลอดเจ็ดวันแปดวันแล้วบางวันสุดท้ายเขามาพูดให้ฟังเขาสามารถโค้ชพุทธประชนาได้เลย นั่นคนไม้นั่นรื่ว่างนะกลับมาแล้วเราเห็นคนไม้เลยว่าโอ้เราเข้าปฏิบัติเลยเขาพูดในลักษณะนี้อซึ่งทําให้เขาซาบซึ้งในในคำสอนของพระเจ้านะบางส่วนเขาไม่เข้าใจก็มีก็ยกไว้คือคือเราต้องทําจิตของเราให้เป็นกุศลน่ะค่ะก็เท่ากับว่าเข้าถึงได้เพียงแต่ว่าจะไม่ได้ก็ไอตรงที่ว่าเอาไปแล้วไม่ได้อ่านนั่นแหละใช่หนังสือที่คุณยมติ๋วแจกอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะใครรับไปอ่านแล้วก็ ฟังตอนที่ท่านมาร์คได้เอามาเล่าให้ฟังในช่วงต้นของรายการทําสมาธิไปด้วยใช่ไหมมันจะค่อยซึมซาบไปซึมซาบไปเรฟังในสิ่งที่ท่านพิบูลพูดเนี่ยประกอบกันอ่าค่ะซึมซาบไปซึมซาบไปนะส่วนที่เขาเขาจไม่เข้าใจก็มีก็ยกไว้ส่วนที่เราเข้าใจก็มีแล้วก็ฟังไปมันจะค่อยเก็บเป็นสะสมเป็นสเบียงนะค่ะเป็นสบียงที่ดีมากๆทีเดียว ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รู้วิธีแล้วรู้ความสําคัญแล้วเรามากราบนมการขอบคุณท่านพิบูลนกันก่อนก็แล้ว ก, กันนะคะกับสิการ์ค่ะและส่วนใครที่อยากได้หนังสือเอาละ่ะทีนี้แหละจะอ่านละครั้งที่แล้วขอมาไม่ได้อ่านหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ละนะคะยังให้โอกาสนะคะท่านก็ขอมาใหม่ก็แล้วกันเพียงแต่ว่าถ้ายังเหลืออยู่เนี่ยก็อ่านของเดิมไปก่อนจะได้แบ่งปันให้คนอื่นบ้างที่0 2 2 6 9 0องสค่ะ และถ้าหากว่าท่านไม่ได้อ่านแล้วจะเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสได้อ่านบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะวันนี้เราก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะติดตามรับฟังรายการได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้รายการสัมสีสนธนาที่ FM106 และวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ